เมื่อวานเขาบอกว่าฝนฝนสีมากสัมภายุสิเข้าวมากว่าข่ามากอีหลีบอมือ่อไงว่าจะข่ามาวันที่หนึ่งตอนบ่ายมาถึงวันที่ทสองวันี้วันที่สองฝนตกตอนเสาร์ตลอดแล้วก็ได้ทราบข่าวว่าทางข่าวเขาบอกว่าในหลวงพระราชิจีนเนอรจะเดท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 ขืนผู้เข า, เาล่งวหวยพวกเข้าเห็นหมดละคือกันก็พอแม่เข้านะก่อนเข้าจีรื่มตาอาปากได้ก็พอแม่เฮ็ดให้เฮ็ดหน้าให้กินก่อนพนจนเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าให้กินนึ่้อแมนท่าผดาเขียวคำยำขึ้นโจิเป็นไฮเป็นหน้าโจเป็น มอระดกในพวกเข้าได้ยูได้กิน่นอันนี้ก็คือผักขุนของพอแม่ในหลวงขึ้นกันพวกเฮ้าผสกในก่อนทั้งหลายก่อนเจ็ดืมตาอาปากได้คู่มือเนี่กันนั่นะในหลวงของเฮ้าเพิ่นซ้อยเหลือประเทศชาติบระชาว่าโคงการยังตะโค้งการยังพลัดจะดาลิขยังผลจะดำลิยัง ทั้งพบมลมราชินีแต่เข้าติดตามข่าวเข้าก็จงหูใดว่าในหลวงพระราชินีเนี่ยบ่อนิ่งดูได้ต่อประสกในก่อนของเพิลนเว้นเสียแต่คนที่อิจฉาในใจอ น, นันต์ซอยผัวใดผัวใดเพราะความอิจฉาใน ใ, นใจเนี่ผัวได้เหตุ ด, ดีผันได้มันก็มองบม่เห็นคนไปเพราะบ่อยากเห็น โบจะเห็นความดีของผู้อืนน่นอะไรอปขั้นมันผู้อื่นขึืนมากขั้นผู้ถึกใจเจ้าของนี่เฮตุข้อล้อพอกแค่หางอื่นนี่ก็ยอกย่องสาลาเซินอะไรไปพระถึกใจเจ้าของเพราะนั้นสิยงมูนี่มันอยู่ในใจของแต่ละคนขันมูดผู้มีปัญญาทำใจให้เป็นกลางผู้มีคุณธรรมในจิตใจต้องแบบดูแบบบุรณาการ ดูให้ภาพร่วมมาผู้นีททาคุณประโยชน์หนังได้ประโยชน์หนังมีคุณประโยชน์จังไรต่อประเทศชาติบ้านเมืองต่อชุมช่อนต่อตัวของเฮ้าคันนาาเฮ้ามีคุณธรรมในจิตใจจะมองเห็นเว้นเสียแ ต, ต่ตมกีเลสความอิจฉาพยาบาทอาขาดจองเว้นเ่อจะให้ผู้อื่นเห็นนอกจาก ข้นของเจ้าของข่อลอเท่า น, นั้นนะมองบ่เห็นผู้อืนอ่นคือกันครับผู้ใดก็าตามนะ่ะเพิ่ว่าทวา่าผู้ใดงโ ง, ง่ซะยังและเลือกถึงบุญคุ้นของพอ่อของแม่ผู้ดเพรเห็หุใดเพราะโง่และเลือกถึงบุญคุ้นพ่อแม่ที่เลี้ยงดูห้อม า, านเลือกผูไใดมีแต่ว่าอิดฉ้าคำเป็นสิมาดเออ ให้กูเกิดปาเน่ให้กูทุกกูยากเรื่อสิเฮ็ดให้กู้เกิดเฮ้อย่างเป็นเรื่องสูโพเปลีล่ยนมันเป็นความงโง่ของสูนนั่นแหละบวงเจ้าของได้กันเจ้าของกูงโง่ปนิกูทุกปนิหาเสือกมาสู้ก็สิกูจิมัดข้อเจ้าของไงเพราเห็นปริวาหมันเห็นแต่ผู้อื่นพ้อินเท็นแต่บพอแมงโง่เจ้าของอโง่บวบ้าบพพแม บ่เลี้ยงเจ้าของฉันพ่อแม่เลี้ยงเจ้าของใหญ่มาแล้วขาสองแขนสองสมองหนึ่งใหญ่ยยแล้วไปแต่แม่หาแต่ไมกระโดดไปแต่ไมในทิศทั้งสี่เขาเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีต่างมากมาก้เป็นยังเจ้าของยังเฮ็ดโจโลโอออ่อมหัวไม่มืออมหัวไม่ตีนอยู่จนเจหาเจ้าเลี้ยงปากเลี้ยงทองเจ้าของเขาบ่กลุ่ม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 เป็นผูมีบุญคุ้นยางมากต่อบุตรธิดาต่อลูกของเพิินบัตรนั้นเพิ่นก็นมากเลี่ยงมากโดยกว่าตนุถนอมจนใหญ่ป่านนี้ละ่ะบานรในเฮ้าสีเฮ็ดหยัง่งบัตในใหญ่ยยขึ้นมากแล้วเฮ้าจะไปดูถูกเดียดยามพอแม้มันขบอแม่นแน่วิคือเขาเพราะเหตุใดเพราะเพลินเลี่ยงเฮ้ามาแล้วมีบุญคุ้นยางมากไม่ ม, า ม, ามาหาศาลที่ได้เลี่ยงเฮ้ามากคือกันครับข้นเลี่ยงเด็กน้อ ย, อยสันน่ะ เห็นโมข้นเลี้ยงเล็กหน่อยลูกไรเลี้ยงลูกกระจุดจั๊กหรอกไอ้คนโบล้านเพลนวามันโบนมีสบู่มันโบนมี่น้ำปลาป่ากัจคู่มือนี่ได้เนอพอเลี้ยงเกินมากเลยกิถึงเวลากินเขา่าหาน้ำสิล่างมือก็บโบมี่เซจคนลวกดกระลาดแล้วก็มาปั่นเข่ากินเลห่หอนออกไปเนีเพลนวาลูกแต่ละคนเนี่ยก้อนสีเงยก้อนจะลดออกจากมือพอมือแม่เนี่ย อ, พ, อ, อพ่อแม่เนี่ยกินขี้ลูกอพแม่เน่ยโดยเฉพาะยังยิงแม่นี่ยกินขี่ลูกคนละทอคำปั่นเป็นอย่างหน่อยอคนโบร้านเพิ่นว่าเพราะเหตุใดเพราะมันเซ็จมือบวชักเนี่ยเพะมีน้าล่างมืดเพราะมีน้าปั๊บง ป, ะปงัะบปาเพะมีสบงสบู่ยังคู่มือเนี่ยเซ็จขี่ลูกได้กับมากับตัวนาตัวล้างกับเซ็ตมา่านละไรกันเกี่ยงบอเกี่ยงแน่กัเป็นยังขี่ลูกเจ้าของอ่ะ นี่แหละค้โบราณเพิร์ว่าปันนะั่นอันนี้แหละมันเป็นแนวความคิดให้พวกเข้าไปคิดไปอ่านทั้งหมดัดคันปูมีปัญญาและเลิกถึงบุญคุ้นของพอของแม่ใดคันวะพุงโง่ใยยางท่นนะ่ะห า, หาวะพอแม่กะได้เสือกบ้านเลี้ยงเอาลูกออกมาแล้วเลี้ยงลูกก็บอหายหางหามีคือบ้านคือเมืองเพิร์ลฮะมันมองอีกอีกแบบหนึง่ง แต่ตามไปจริงมองแบบแบบบัณฑิตนักป่าดขันมองแบบผ้าละชนกับมองอีกแบบหนึ่งขันมองแบบบัณฑิต น, น, น, น, นักป่าดก็บอกเออพ่อแม่ได้เลี้ยงดูห้ามากขนาดนี้แต่ก็นับวเป็นประคุณอย่างยิ่งแล้วจะเห็นเพลินเลี้ยงไปฮอตใสเลี้ยงใหญ่ปันนี่แล้วเมื่อพ่อแม่เลี้ยงห้ามากแล้วห้ามจะกระโดดไปในทิศทั้งซีจะทำมากค้าขาย มันขยันเป็นนาทีของเข้าค้นขยันย่อมหาทรัพย์ได้คนมีปัญญาย่อมหาทรัพย์ได้ขันคนงโง้อเสายยางคนขี่ขานเสียยางเออเอาตัวบอลล็อตขันว่าเข้าขยันแลคนพร้อมกับปัญญาเขามีทรัพย์พยากรในโลกนี่เต็มไปหมดคดบังโมงได้เป็นเงินเป็นทองไปหมด มีพร้อมที่จะสสแสวงหาศรัพย์ได้กันค้นขยันคนมีปัญญาค่านาว่าคนบ่มีปัญญาก็ะย่างวานตํานี้พอตํานี้แม่เจ้าของอทั้งที่จะเชิดชูบูชาว่าปกุลของพ่อแม่ได้เลี้ยงดูห้ามานมากไม่ ม, ม, มหาศาลในหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นว่าเมื่อพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาแล้วเลี้ยงท่านต่อ ทำกิจุระของท่านดำรงวงศกุลประพฤตตนให้สมควรควรรับทรัพย์มรดกเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทำบุญอุทิศ ส, สวนกุศลให้ท่านนะอันนี้ก็คื อ, คอนาทีของบุตรธิดาจะต้องคิดและในนักธรรมคัมสอนของพระพุทธเจ้าพระสง์สาวกของพระพุทธเจ้าคือกันพระ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 พระเดชทัสรูเป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธียาณและก็สอนให้พวกเฮาให้หูจักท่านหูจกักศีลหูจักภาวนาหูจักภาวนายกจิตใจของเจ้าของให้พ้นจากทุกในวัตะสงสารบร่มาเวียนว่ายตายเกิดเป็นอนันตาการบ่รต้องมาทุกข์อีกพระพุทธเจ้าผลสอนไวมดัดเพราะนั่นจะบรรยายนุ้นของพระพุทธเจ้านี ก็บมีผับรรยายจบถึงจะมีปัญญาปัญญากับบรรยายนจบพอคุนของเพลนมากมามจนนอกเหนือจากบรรยายไปได้บรรยายนเรียมหนึ่งย่งเรียมนึงพิเียมย่งเรียมหนึ่งอย่างที่ลงพออกาวสัมโสดธนิยกถมาบรรยายท่้ำหรือว่าบอกกาวลูกหลานสัทธายาิโยม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 ก็ยอมรำลึกถึงเ อ, อขนาดงโง่ๆอย่างหลวงพ่อสุจ้าเนี่ยหลวงพ่อสุจ้าเนี่ก็ยังบรรยาย่าอเท่าทีความงโง่ไม่ยูเนี่เกิดมากไม้มาหาศาลถึงขนาดนี้แหะถ้าผู้มีปัญญามากกว่าหลวงพ่อเนี่ยจะขนาดไหนฮ อ, อ, อันนี้คือกันอันนี้กนน็คือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ขึ้น ครูบาอาจารย์ที่ท่านสอนสั่งพวกเข้าตีเข้าเองบวชเฮี้ยนเขียนอ่านมาถึงเพื่นที่สอนกิริยามัลยะเข้าก็ได้จับเป็นตัวอย่างว่าในครูบาอาจารย์เพิ่นสอนแบบนี้แบบนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างหลวงพ่อเนี่ยคือหลวงปูหละหลวงพ่อเนี่ยเครเข้าเป็นเป็นผาขาวมาเลยเล้วกันไปอมีแต่พอกำแย่ท่ามมนอาจารย์สอน สอนกิริยามัรยาต อ, อก็สอนเขาเท่าที่เพิ่นสีสอนได้กด็ดีนับวัาดีสอนให้ระดับหนึ่งดีกว่าเพิ่นบ่อสอน เ, ออเพิ่นสอนเป็นบุปผาอาจารย์พ่อแม่เป็นบุปผาอาจารย์เป็นอาจารย์ของคนแหลกของบุท ธ, ธิดากินเขาจังสี่นะขับทายจังสี่นะนอนจังสี่นะพรมผาจังซี่นะ อ, อ, อย่าไปตากฝนตากแดดนะ ทายมองหันทายมองนี้นะจะไปทายมองหันมองนี้นะปัสวะมองหันมองนี้นะพ่อแม่เป็นสอนอจากนั้นก็นสอนให้เรียกผู้นั่นปา้าผูนี้ลุงนะผู้นี้อาผู้นั้นสื่อเอื่นจังสันจังสีนะอย่าไปพอกความนี้นะพอไรนะข้าหยาบอย่าไปบอกนะอย่าไปเบานะให้เอิ่นชื้อข้านี่นะพ่อแม่สอนข้าหน่าว่าเข้าไปเอิ่น พิธีพิทั่ทงไปด่าเขานะพอแมก็เงือง่าฟาเมื่อมาบ่อได้นะอยาวาวังจังสีเนะ่ตีน ะ, ะจังสีเป็นตนพวกเซียงโมนีเข้าได้เจอได้พบมาแล้วอันนี้ก็คือผักขุนของพอแมที่สอนพวกเขามากจนชุดความสามารถของเพิ่นจากนั้นเพิ่นก็นได้าฝากกับหลวงปูหลวงตาคู่บาอาจารย์อย่างหลวงพอนะ่อไปอยกับหลวงปูหลา่าหลวงปูหล่าก็สอนอีกบาน่ สอนกัะทั่งนโมนโมตัสะนโมทัสะนโมทัดสะพระเขาวะตอตครูบาอาจารย์ลูกปู่ัน่โมเมนต์หน้าอินน่านโมตัตสะโมมนตทัดสะนโมตัตสะต่อเต่านโมัตสะพระคขวโตอมมพระเข้าพระเขาวัตโต เบิ่งนะฟังนะเอี่ยลงปูเป็นสอนมัดตั้งแต่นาโม เ, เอะแล้วก็อีกอย่างอย่างอื่นอสอนอีกให้เข้าว่าเป็นผ่าขาวเลยแหละวันนี้ไปเออเป็นมาซักมาฟอกเป็นก็บไม้หย่อมมันเป็นสีใดเอะกิริยามัรยาต้องเฮ็ดทังสี่นะเออเวลาปูข้นมาตรงแบบนี้นะเออตรงฉันตรงแบบนี้นะตรงปูเป็นสอนละเอียดที่ถวด อันนี้ก็คือพ่อแม่ครูบาอาจารย์จากนั้นก็มาสอนมาเลยๆจากนั้นมาเฝ้าก็สังเกตไปในสถานที่ใดสังเกตสังกา เ, าเป็นตัวอย่างอันไหนที่ดีก็ยับจับยึดมาเป็นตัวอยา่างคำพูดใดที่เป็นที่คำพูดพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพิ่นบอกเกาเออคือนำ้ำคาคิดคาพูดอันนั้นเอาม า, อาบอกเกาวเราสิ ตลอดถึงมาอยู่กับคู่บาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาหลวงตามหาบัวเพิ่นสอนอยังที่ถวนเข้าไปอีกพราว่าเพิ่นเขาอยู่ชุ่มชนสังคมส่วนใหญ่ทุกระดับอแต่หลวงปู่หลานี่เป็นอยู่ในระดับปลาดงพงไพ่แต่หลวงปู่ตัดหลวงตาเนี่ยเป็นอยู่ทุกระดับอย่างพวกเข้าหูพวกเข้าเห็นอันนี้ฮอติมาเลียนรูจากเพิ่นอีกเออ ถึงเข้าจะเป็นเตาก็ตามเข้ากับพยายามตะเกียดตะกายเบ่งข้านตามเพิน่นเพิน่นภาพปฏิบัติจังไดแต่จะให้เพิน่นใดเพิ่นทุกอย่างก็คงจะเป็นไปจังสัน่นบ่ได้คือกันเพราะอุปนิสัยความโง่ความฉลาดของเข้าเนี่ยมันดูต่อแต่ถึงอย่างไดเข้ากับพยายามอันนี้แหะคือพอแม่ครูบาอาจารย์ที่ทันแนะนําสังสอน แต่เขก็เบงในความคิดหรือว่าสติปัญญาของเพิลนเพิลนก็บอกว่าไม่มีกรำมืออยู่ในอาจารย์มี่งอย่างเพิลนที่เพลนที่จะให้เข่าหูเข่าฉลาดให้เขาเรียนรู้เรือว่าฉลาดเนี่ยเพลนจะไปย่ำาทายเท่พิชากความรู้ให้เข่ามากเท่าที่เข่าจะรับได้บอแมจิปิดบังขอบก้ามใบเบาๆให้ฟังเนี่ยสีมันฉลาด เออเข้าจิทายทอดแบบโงงๆอะไรให้มัน่นเพิ่นกับบอมมี่ในบอมีความคิดจังสันมีแต่ทายทอดจีงไหนทิ่เฉลียวฉลาดเจีงไหนที่รอบรูปเพิ่นกับพยายามทายทอดวิชาความรู้ให้เข้ายังมดเปลือกกว่าออกไปอบอมมีกับมืออยู่ในอาจารย์นี่แหละเข้ามั่นใจจังสันอยู่กับคู่บาอาจารย์องค์ใดก็ตับอันนี้คือพอแม่ครูบาอาจารย์ ตอนนี้มาพูดถึงเจ้าฝ่าเจ้าแผ่นดินคือกันแต่ว่เาเรามองอีกมุมกว้างๆเิินทํำคุ้นประโยชน์ให้กับประเทศชาติยังไงสมัยก่อนเพิินเป็นหนุ่มขี่มา้าขี่ลาขึ้นบนภูเขาไปเบิ่งเช่าเขาก็มีเชียงขนาดใดเพราะเป็นเจ้าฝ่าเจ้าแผ่นดินมันบอกคือเฮาไปด้คันเฮาไป ไ, ไ, ป, ไปไสไพกระบอผูกพาบาตรอาขาดจองเว้น เข้าไปไซดก็ะไดอันนั้นบอมแมนธรรมดาเออบอแมนกลุ่มใดตะกลุ่มใดเออเสี่ยงไพ่อันต ร, รายในการเดินไปคันว่าพวกเข้าบัตถิคิดมันก็บงุ่มยักษ์ความปลอดภัยขนาดไหนแต่ว่าคั้นเข้าไดใะะ้ใช่ปัญญาล่ะบอแมนธรรมดาเออคือกันครับคนจนในบ้านเนี่ยนะไปใสมันก็บอกมีพิษมีพไพ่ด้ขั้นเศรษฐีพอคขาล่ลํารุ้ยขึ้นมาคือไปใสต่องระว่างด้ ไปใส่ไม่จะปลอดภัยบนี่เขาจะจับเรียกคาไทยบนี่เอมันไผมีอริสติวตู่กระเพ่าบนการทามาค้าขายมันต้องได้คิดคือกันเพราะเหตุใดเพราะว่า ม, มันมีในโล ก, กมันเป็นอย่างสัตว์เพราะนั้นขนาดเพินลนระบาดทีเป็นอย่างไรล้วนแล้วแต่เตรียงผอมแล้วเวียงระวว่างครับคนทุกมูลทุกเราอจะทําอย่างไรจึงจะเกิดประโยชน์ต่อพี่นอกประชาชน ต่อหลูกต่อหลานต่อประเทศชาติบอ่อมเนตกประเทศชาติเท่านั้นยังมองไปอีกต่างประเทศอีกาต่างประเทศนเห็ุจังไดเข้าไปไปผูกสัมพันธ์ทําไมตีจังใดกับต่างประเทศเหล่านั่นซิ่งเราหนีคนก็ได้คิดมั้เพราะนั้นบุญคุณทั้งหลายทั้งปวงพวกเข้าเป็นประกบในก่อนเป็นคนในชาติมันต้องมองให้กว้างๆอย่าไปมองแคบถ้ามองแคบมันมองแต่เห็น แต่โงหัวปฏิเจ้าของท่านนะ่ะนะมองต่ำฮะแต่มองสูงนะต้องเห็นคนมีปัญญาย่อมรู้จักบุญคุณผู้มีอุปกรณคุณถ้าว่าคนโง่เสยอย่างมองไม่เห็นใข่มองจะเห็นแต่ตัวเจ้าของท่า น, นขอฝากไปกับคณะรัตย า, าติโนมลูกหลานนะลูกหลานลงพออินลงพอยินหรือ่ให้มองแคบเลย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 จิต่ํานี้ไฟก็ต่ํานิพอได้กรรมของไฟของมั่นยังเข้าไปเห็นเอลิ่งยังเส่นจเหรอเขาจิไปดดาลิ่งก็บอแมนแนลเขาจะไปเห็นสีเสือเดือนเข้าจิตเปิดดาแต่สีเสือเดือนอยู่หันปักเกิดปักใจมันทําไมมันเกิดมาอเหี้งมันง่มาหาเกิดมัขี่เสือเดือนจะไปหาดามันก็บอแมนแนลอันนี้คือกรรมของมั่นไปเห็นปิ่งจิไปดดาปิ่งก็บอได้ไปหาเห็นชัดตัวบุ่งตัวนอน ไปหาขี่เข็งขี่ข้ขขงขางๆที่ห้องผมเพิ่งปรารถนาเขาจะเป็นนางดามนางเกาปั๊ดมือมันเว้นกระบอแม่นแนวคืเอเก่าอันนั้นก็คือกำของไัยกำของมันซรระสัตวมันมีสูงมันมีต่ําแต่ให้เบิ่งจกของเท่านั้นหรอข่าเนี่ยเป็นอย่างไรใจของข่ามีศีลมีธรรมเป็นทีอบุญละยั่งมีศีลหาละยั่งมีคุณธรรมในจิตใจหรือยัง่งจิตใจของเขานี่ มีโลภมีโกรธมีหลงบ่หรือหางว่ามันเป็นจ้าไดเรื่อมีแต่เมตตาอารีมีแต่ความเออเป็นศีลเป็นธรรมในจิตในใจของเฮาสิ่งมูลนให้เบิ่งจ้าของทายเบิงเ่งจาของแล้วจะเห็นเรื่องต่างๆกานทำว่าเบิ่งจ้าของนะ่ะมันยาก่เลยมีแต่ชอบดูถูกผู้อื่นอมองคนทั้งหลายมองในแง่ร้าย หลวงตาเพูนว่าอย่ามองม่องค้นในแง่รไร่มองค้นในแง่เหตุผลเหตุผลมันเป็นจังใดต้องมองในแง่นั่นอย่าไปมองง่นในในดีจนเกินไปเลิศเล่จนเกินไปเลิศเล่จนเกินไปกันนะจนมองมองมาเห็นความซัวของเขาขึ้นแต่แห้มองด้วยเหตุผลอันนั้นมหพ่อเหตุไดอันนี้พ่อเหตุใด เอามาบวกลบคูณหารใช่กันแล้วบ้างดีกับชัวอันะดรมากกว่ากันอันนี้เขาก็ต้องมาบวกลบคูณหารอีกด้วยสติด้วยปัญญาของเข้าอีกนะขั้นบ่มันใจกระถามขู่ไล่คนเมื่อถามแล้วก็นำมาคิดความพิจารณาอีกในคําพูดคําตอบของเขานั่นมันมีเหตุผลเพียงพ่อบอกแต่ละขู่แต่ละคน้นหน้าหน้ า, นาจิตต่างหน้าหน้าทัศน์นะแต่เขาเข้าจะหาลักเหตุผลในการ วิเคราะห์ในเรื่องนั่นบุคคลนั้นๆกลุ่มนั่นสิ่งเรานี่ฝากไว้กับพวกข้าทุกขุทุกคนนะเมื่อนี่ไขแนวความคิดแนวนึงสำหรับพวกข้าทั้งหลายลูกหลานทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษาอตอนไปรับพร